วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองมิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทย์มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนอันเลิศอันประเสริฐที่จะนำพาจิตใจให้ไปสู่ที่ดีที่งามที่สุขที่เจริญธรรมะที่เราจะฟังกันในวันนี้คือเรื่องของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่เป็นสิ่งที่มาหาัศจรรย์ของโลกก็ว่าได้บรรดาของที่เป็นสิ่งที่มาหาัศจรรย์ของโลกนี้จะไม่มีความมาหาัศจรรย์เท่ากับความมาหาัศจรรย์ของพระรัตนตรยัยคือของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าสิ่งที่พระรัตนตรัยจะ มอบให้กับผู้ที่ได้ไปสัมผัสรับรู้นั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้สามารถมอบให้กับผู้ที่ไปสัมผัสได้สิ่งที่พระรัตนาตัยจะมอบให้กับผู้ที่ได้พบได้สัมผัสกับพระรัตนใจก็คือวิมุตติ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและนิบบานาังบรมังสุ ข, ขังความสุขของพระนิพพานที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่ามาสจรรันของโลกก็ว่าได้คือพระรัตนไตรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะทำให้พวกเรานี้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวอนมีสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเราชาวพุทธถือเป็นสารณะถือเป็นที่พึ่ง การที่เราจะสัมผัสกับสิ่งที่พระรัตนตไตยจะมอบให้กับเราได้คือการหลุดพ้นจากความทุกข์และการเข้าถึงพระบรมสุขของพระนิพพานได้จําเป็นที่จะต้องมีการนำเอาพระรัตนตไตยที่ตอนนี้ยังอยู่ภายในอกใจของพวกเรา ให้เข้ามาสู่ภายในใจให้ได้เ พ, พระภารตะนาใจที่อยู่ข้างนอกใจนี้ยังไม่สามารถที่จะทำให้เกิดวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่สามารถทำให้เกิดภาพบรมมมสุขของพระนิพพานให้ปรากฏขึ้นมาได้ พลัตตนาใจนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับยารักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายยาที่รักษาโรคของร่างกายนี้ถ้ายังอยู่ภายนอกของร่างกายจะไม่สามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายได้การที่จะทําให้โรคภัยไข้เจ็บของร่างกายหายไปได้ จำเป็นที่จะต้องรับประทานยาเข้าไปในร่างกายถ้าได้เอาอยาเข้าไปในร่างกายแล้วยาก็จะเริ่มทํางานทําหน้าที่ของอยาคือรักษาโรคภัยที่มีอยู่ในร่างกายให้หายไปได้พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าธรรมพระสงฆ์ก็เป็นเหมือนอยา รักษาร่างกายแต่เปญญารักษาจิตใจรักษาจิตใจที่มีแต่ความทุกข์ต่างๆรักษาจิตใจที่ยังหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ถ้าเราเอาอยาคือพระรัตนาใจเข้ามาสู่ใจได้พระรัตนาใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะทำหน้าที่ กำจัดความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปสร้างความสุขอันยิ่งใหญ่ให้ปรากฏขึ้นมาในใจได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำกันถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์สุขจากพระรัตนตรยัยจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจึงต้อง นำเอาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของพวกเราให้ได้ถ้าเราสามารถนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะทาหน้าที่กาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วจะสร้างความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ถาวรที่เป็นมลมมสม ให้อยู่คู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือพัลตนาไตโดยสรุปก็มีสองแบบพัลตนาไตที่ยังอยู่ภายนอกใจและพัลตนาไตที่อยู่ในใจตอนนี้พัลตนาไตยอยู่นอกใจเรารู้จักพัลตนาไตเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใคร พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่สเสด็จออกส่งผนวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่หกปีจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาได้เข้าถึงวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์และได้เข้าถึงพระบรมสุขของพระนิพพาน หลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ทรงนำเมาความรู้ที่พระ อ, องค์ได้ทรงตัดถึงคือพระ อ, อริยสัจสี่และไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์บรรลุเป็นพออาาระอรหันตสาวกขึ้นมา นี่คือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตัดสิรูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ประกาศพระธรรมคําสอนเอาคําสอนที่ทําให้พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ได้พบกับวรลลโอมสงของพระนิพพาน คำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมแล้วผู้ที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติจิตใจก็จะได้วิมุตติได้ดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและได้พบกับบรล ม, มัสุขของพระนิพพานหลังจากนั้นพระอรหันตสาวกก็จะช่วยพระพุทธเจ้า นำเมาพระธรรมคำสอนมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ไม่รู้ต่อไปจึงปรากฏมีการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจากพระพุทธเจ้ามาสู่พระอรหันต์ตาคกในแต่ละยุคจนถึงยุคปัจจุบันนี้เรายังมีพระรันาตนตยอยู่ภายนอก ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะจากเราไปแล้วก็ตามแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ก่อนจากไปว่าพระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ตัดไว้ชอบแล้วนี้จะเป็นศาสดาของพวกเราต่อไปก็คือพระธรรมจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าจะเป็นเหมือนกับเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะเข้าหาพระพุทธเจ้าเพื่อให้เรา ได้เรียนจากพระพุทธเจ้าก็ให้เราเรียนจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ในพร ะ, พระคัมภีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนมาตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกัน หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัตวแล้วพ่อองค์ก็ทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้กับบุคคลต่างๆพระธรรมคำสอนที่ทรงแสดงนั้นก็จะมีพระที่ติดตามพระพุทธเจ้าที่ศึกษาจากพระพุทธเจ้านี้จะเอามาจดจากันเอามาจดเอามาท่องเอามาจําแล้วก็มามาปฏิบัติ อันนี้เป็นวิธีอนุรักษ์รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีการถ่ายทอดกันมาเป็นยุคยุคเป็นเป็นสมัยสมัยจนมาถึงในสมัยที่มีการบันทึกไว้ในเป็นตัวอักษรได้เป็นตัวหนังสือได้ก็จึงเกิดพระคำพีพระตายปิดกขึ้นมาถ้าเราอยากจะศึกษาพระธรรมสอนของพระพุทธเจ้าจากพระพุทธเจ้าโดยตรง ก็ให้ไปศึกษาที่พระคำภีพระไตรปิฎกเราก็จะได้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องแม่นยำที่จะทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ให้เราเข้าถึงความสุขของพระนิพพานได้อันนี้คือพระธรรมคำสอน แล้วก็มีพระ อ, อริยสงสาวกหรือพระอรหันตสาวกผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เข้าถึงวิมุตติแล้วได้เข้าถึงพระนิพพานแล้วก็จะเป็นผู้ที่เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจตามลำดับจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้เราก็ยังมีพระไตรปิฎกอยู่ เราก็ยังมีพระอรหันตสาวกหรือพระอริยสงสาวกที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วได้เข้าถึงพระนิพพานแล้วได้เอาได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอน<ม>ให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่ต้องการการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ศึกษาและได้นเอาไปปฏิบัต และจะได้บรรลุตามลำดับต่อไปได้หลุดพ้นตามลำดับต่อไปนี่คือพระรัตนตรัยที่เรารู้จักกันซึ่งยังเป็นพระรัตนตรัยที่อยู่ภายนอกใจของพวกเรายังไม่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ยังไม่สามารถที่จะทำให้เราเข้าถึงพระบรมสุขของพระนิพพานได้ ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคที่อยู่ภายนอกร่างกาย<ม>เราได้รับยาจากหมอแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปถ้าเราต้องการให้ร่างกายเราหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องรับประทานยาตามคำสั่งของหมอมหมอบอกให้รับประทานวันละกี่ครั้งกี<ม>่ ค, ครั้งละกี่เม็ดอย่างนี้เราก็ต้องกินเราก็ต้องรับประทานตามคำสั่งของหมอ ถ้าเราทำตามที่หมอสั่งแล้วรํบประทานไปยาก็จะเข้าไปในร่างกายแล้วก็จะเริ่มทำหน้าที่รักษาโรคภัยค่าเจ็บต่างๆของร่างกายให้หายให้หายหมดไปได้ปราตนาตายก็คือยาที่เรียกว่าธรรมโอสดนี่ธรรมโอสถก็คือยารักษาโรคของใจโรคของใจก็คือโรคของความทุกข์ต่างๆ โรคของความเครียดโรคของความวิตกกังวลโรคของความห่วงใยโรคของความเศร้าเศร้าโศกเสียใจเป็นต้นความทุกข์ต่างๆเหล่านี้จะหายไปหมดได้ถ้าเราน้อมเอายาคือธรรมโอสถคือพระรันาตนตรัยพระพุทธพรธรรมพระสงค์เข้าสู่ใจของพวกเรา วิธีที่เราจะเอาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจของพวกเรานั้นก็มีขั้นตอนอยู่สองขั้นตอนด้วยกันเหมือนกับการรับประทานยาหมอให้ยามาแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็ต้องเอายารับต้องรับประทานยาเข้าไปในร่างกายแล้วพอยาเข้าไปในร่างกายยาก็จะทำหน้าที่ ที่จะกาจัดโรคภัยของร่างกายให้หายไปยาที่มารักษาโรคใจก็เช่นเดียวกันยาที่จะรักษาโรคใจก็คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สิ่งที่เราต้องทำในการที่จะเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของวกเราก็คือการศึกษาเราต้องหมั่นศึกษาการทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า อยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าเราจะต้องปฏิบัติเราจะต้องทำอะไรบ้างในการที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจในการที่จะสร้างพระบรมสุขของพระนิพพานให้ปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเราเราจึงต้องศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและศึกษา ด้วยการฟังเทศฟังธรรมก็ได้หรือด้วยการอ่านหนังสือธรรมะต่างๆก็ได้อันนี้เป็นขั้นแรกของการที่จะน้อมเอาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของพวกเราเพื่อให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ทําหน้าที่ในการรักษาโลกของใจคือ รักษาความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเมื่อเราได้ศึกษาแล้ว <c oughs> สิ่งที่เราจะต้องทาขั้นต่อไปก็คือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ า, จาการศึกษานี้เป็นเหมือนกับการไปรับยามาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพาระอาลันภสษาวกพระพุทธเจ้าสอนเราให้ทำอะไร พาอารย์ศาสาวกท่านสอนให้เราทำอะไรอันนี้เป็นการไปรับยามารับยามาจากหมอรับยามาจากพระรัตนตรยัยคือก็ทมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำอะไรให้ปฏิบัติอะไรเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติพอรับมารับยามาแล้วเราก็ต้องเอาไปรับประทาน ถ้าเรารับยามาแล้วแล้วเราไม่รับประทานยายาก็ยังไม่สามารถเข้ามาสู่ในใจของเราได้เหมือนกับยาที่เรารับจากหมอจากโรงพยาบาลมนาะพอรับยามาแล้วแต่เราไม่รับประทานยาเก็บไว้เฉยๆวางไว้เฉย <S <S ๆยานั้นก็จะไม่สามารถเข้าไปในร่างกาย ก็ทำหน้าที่รักษาพยาบาลร่างกายให้หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้ฉั่นใดพระธรรมคําสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันการศึกษาการอ่านหนังสือธรรมะการได้ยินได้ฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการไปรับยาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากพระรัตนตรัยที่อยู่ภายนอกคําสั่งคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้านี้ เป็นเหมือนยารักษาโรคใจแต่การที่เราจะเอายารักษาโรคใจนี้เข้ามาสู่ใจของเราได้เราต้องเอาคำสอนที่เราได้เรียนรู้ได้ศึกษานี้มาปฏิบัติตามถ้าเรายังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนนีะก็จะไม่สามารถเข้ามาสู่ใจของพวกเราได้ เมื่อไม่เข้ามาสู่ใจของพวกเราก็จะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่กาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ไม่สามารถสร้างบรล ม, มัสุขของพระนิพพานให้ปรากฏขึ้นมาในใจได้ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำกันก็คือถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างในการที่จะรักษาใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆ ใหใจของเรามีควางสุขของพันธุพันเราก็ต้องศึกษาศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติอะไรบ้างให้ทําอะไรบ้างถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากระทาให้เราปฏิบัติสามข้อใหญ่ๆด้วยกันให้เราทำสามหัวสามสิ่งด้วยกันสามประการสิ่งแรกก็คือ ให้เราละการกระทำบาปทั้งปวงสิ่งที่สองก็คือให้เราสร้างบุญสร้างผุณสั้งหลายให้ถึงพร้อมและสิ่งที่สามก็คือให้เราชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัต ตามคำสอนสามหัวข้อใหญ่ๆนี้ได้แล้วเราก็จะมีธรรมะมีพระรัตนตัยอยู่ในใจของเราที่จะคอยกาจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นในใจของเราให้ดับไปให้หายไปและป้องกันไม่ให้ความทุกข์ต่างๆที่ยังไม่ได้เกิดให้ปรากฏขึ้นมาอีกต่อไปและจะสร้างความสุข ที่ที่ยั่งยืนที่ถาวรที่เรียกว่าเป็นบารมีศักดิ์ของพันวิพานจะจากการปฏิบัติธรรมสามหัวข้อใหญ่ๆนี้ด้วยกันคือข้อที่หนึ่งให้เราละการกระทําบาปทั้งปวงข้อที่สองให้เราสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมข้อที่สามให้เราชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่ เราต้องทำกันถ้าเราอยากจะมีพระรัตะนตัยเป็นที่พึ่งของเราภายในใจของเราเป็นที่รักษาที่ป้องกันที่กําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปและสร้างความสุขอันยิ่งใหญ่ที่เป็นบรมสุขของพระนิพพานให้อยู่คู่กับใจของเราไปตลอดอยู่ที่การปฏิบัติ ทสามข้อที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามเวลาที่ได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วประกาศก็ทำคำสอนสั่งสอนให้แกส่สารโลกก็จะสั่งสอนการปฏิบัติทำสามข้อนี้เหมือนกันทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมาตรัสรู้ในยุคไหนสมัยใดก็ตามเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็จะ สอนเหมือนกันหมดเพราะโลกของใจนี้เป็นโลกที่เหมือนกันหมดไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดก็ตามและการรักษาโลกของใจคือความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจก็ต้องใช้ยารักษาโลกของพระรัตนาตายเหมือนกันหมดก็คือให้ละ ก, การกระทำบาปให้สร้างกุศลให้สร้างบุญ ส, สร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อม และให้ชำระใจให้สะอาดลอยสุดกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไป mm hmm. นี่คือสิ่งที่พระชาวพุทธเราหรือผู้ที่ปรารถนาะการหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่ปรารถนาะที่จะได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของพระรัตนตรัย mm hmm. จะต้องกระทำกัน ก็คือข้อที่หนึ่งต้องชำระละการกระทําบาปบาปคืออะไรบาปก็คือการกระทําที่เกิดโทษแก่ผู้อื่นเกิดความทุกข์แก่ผู้อื่นเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีการโกหกการพูดปดนี่คือบาปเป็นการกระทําที่จะทําให้ ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนทําให้เกิดความทุกข์แก่ผู้อืน่นเวลาที่เราไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อืน่นถ้าเราสังเกต ด, ดูเราจะเราจะเห็นว่าความทุกข์ที่เราสร้างให้กับเขานั้นมันจะกลับเข้ามาที่ใจเราทันทีนี่คือกฎแห่งกรรมทําบาปก็จะได้ความทุกข์ทาให้ความทุกข์กับผู้อืน่นความทุกข์นั้นก็จะกลับมาหาเรา ในทางตรงทางข้ามถ้าเราทำบุญให้ความสุขกับผู้อื่นความสุขนั้นก็จะกลับมาหาเรามี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เป็นกฎที่ตายตัวที่ไม่มีใครที่จะมาลบล้างได้เปลี่ยนแปลงได้เป็นความจริงถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ใจจากการกระทำเราก็อย่า ก, กระทำบาป ทำแต่บุญทำแต่สิ่งที่ดีแล้วเราก็จะได้ความสุขกลับมาหาเราอ น, นี่คือการกระทำบาปบาปนี้มีอยู่สื่ข้อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติิตประเพณีพูดป่วนโกหกหลอกลวงส่วนการดื่มสุรายาเหล่า น, นี้เรียกว่าเป็นอบายามุกอบายามุกนี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาป เพราะว่ายัางไม่ได้ไปทําให้ใครเสียหายเดือดร้อนไม่ได้ไปสร้างความทุกข์ให้กับใครเวลาดื่มโซรานี้ไม่ได้ไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นแต่สร้างปัญหาให้กับผู้ดื่มเพราะว่าเมื่อดื่มโซราแล้วจะทําให้ผู้ดื่มนี้เกิด อ, ดอาการมึนเมาขึ้นมาขาดสติไม่สามารถที่จะควบคุมการพูดการกระทําหรือความคิดของใจได้ เวลาใจคิดไม่ดีขึ้นมาก็จะไม่สามารถยับยั้งไม่ให้พูดไม่ดีไม่ให้กระทำไม่ดีได้ต่างกับเวลาที่มีสติเวลาที่ไม่ได้หื่นสลายเมาจะไม่มีจะมีสติคอยควบคุมความคิดการพูดและการกระทำของตนได้เวลาคิดไม่ดีก็ยับยั้งไม่ให้พูดออกมาได้ไม่ให้กระทำออกมาได้ แต่เวลาที่ไม่มีสติเช่นเวลาเกิดอาการมึนเมาจากการดื่มสุรายาเมาเวลาคิดไม่ดีก็จะปล่อยให้ออกมาทางวาจาทำให้พูดจาไม่ดีหรือเกิดการกระทาที่ไม่ดีขึ้นมาได้เมื่อมีการพูดไม่ดีหรือมีการกระทาที่ไม่ดีก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะเกิดทำให้ผู้อื่เขาเสียหายหเดือดร้อนได้สร้างความทุกข <c oughs> ์ ให้แก่ผู้อื่นได้จึงต้องจึงจําเป็นต้องไม่ดื่มสุรายาเมาด้วย <Yeah. S 2> <c oughs> ถ้าดื่มสุราแล้วก็ไม่ได้ไปทําอะไรนอนหลับเป็นกิเป็นเหมือนยานอนหลับอันนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ถือว่าเป็นบาป <Yeah. S 2> แต่ก็ไม่ควรดื่มจะดีกว่าเพราะเมื่อดื่มแล้วจะไม่มีสติห้ามจิตใจบางทีไม่ได้นอนดื่มแล้วไม่ได้นอนเช่นก่อนยะ เดื่มแล้วอาจจะต้องขับรถกลับบ้านเวลาขับรถกลับบ้านโดยไม่มีสติควบคุมรถยนต์โอกาสที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาก็ง่ายและทำให้ผู้อื่นเข้าเสียหายเดือดร้อนได้นี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามอย่ากระทากันถ้าเราไม่อยากจะเอาความทุกข์เข้ามาสู่ใจของเรา <c oughs> ความทุกข์มันอยู่ข้างนอก มันเข้ามาด้วยการกระทาของเราด้วยการกระทาบาปเวลาเราไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนมันก็จะทำให้เขาจะต้องตอบแทนเราเราทำให้เขาเสียหายเดือดร้อนเขาก็อยากจะทำให้เราเสียหายเดือดร้อนก็จะมีการล้างแค้นกันจะกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันต่อไป <c oughs> วิธีที่จะไม่สร้างเวรสร้างกรรม ไม่มีเวรมีกรรมกับใครก็คืออย่าไปทำบาปให้กับใครอย่าไปฆ่าผู้อื่นอย่าไปลักทรัพย์ของผู้อื่นอย่าไปประพฤติผิดประเพณีไปมีอะไรกับสามีภรรยาของผู้อื่นแล้วก็อย่าไปโกหกหลอกลวงเพื่อให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อ <c> น <oughs> ถ้าเราสามารถรักษา สี่ห้าได้เราก็จะไม่กระทำบาปได้เ mm. มื่อเราไม่กระทำบาป mm. ทุกที่เคยมีอยู่ในใจที่เกิดจากการกระทำบาป mm. ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป mm. Mm. นี่คือข้อแรกวิธีที่เราจะกำจัดความทุกข์ mm. ไม่ให้เกิดขึ้นภายในใจของเรา mm. เราก็ต้องยุติการกระทำบาปเพราะการกระทำบาปนี้ เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั่นเองเพราะเมื่อเราไปทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนแล้วเราก็จะกังวลเราก็จะทุกข์ใจกังวลใจเราก็จะเกิดความกลัวที่เราจะต้องถูกจับไปลงโทษหรือถูกรางแค้นจองเวรจองกรรมกันถ้าเราไม่ทำบาปความทุกข์เหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นมา นี่คือสิ่งที่เราต้องทากันถ้าเราอยากจะให้ไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นจากการกระทาของเราเราต้องอยาดกระทำบาปถ้าเราอยากจะมีความสุขจากการกระทำพระพุทธเจ้าก็ส่งสอนให้เราทำความดีต่างๆสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมการทำความดีการทำบุญหรือกุศลนี้คืออะไร ก็คือการให้ความสุขกับผู้อื่นนั่นเองการกระทาที่ทำให้ผู้อื่นเขาเกิดมีความสุขใจให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์จากการกระทาของเราชเช่นการทำบุญทำทานอันนี้เราให้ความสุขกับผู้อื่นเรามีข้าวของเงินทองของกินของใช้ของอะไรที่เราไม่เดือดร้อนที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เป็นส่วนเกิน เก็บไว้เฉยๆก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ให้พระเจ้าบอกให้เราเอาสิ่งที่เหลือกินเหลือใช้นี้มาสร้างบุญสร้างกุศลกันสร้างความสุขให้กับใจของเราให้ความสุขกับผู้อแล้วความสุขนั้นจะกลับมาหาเราจะทำให้ใจของเรานี้อยู่อย่างมีความสุขถึงแม้ว่าอย่างยังไม่เป็นความสุขของระดับของพันนิพพาน ยังไม่ได้เป็นความสุขที่ที่ถาวรแต่ก็ยังเป็นความสุขที่จะทำให้ชีวิตของเรานี้อยู่อย่างปกติสุขได้ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กจากการกระทําบาปแล้วก็มีความสุขจากการกระทําบุญต่างๆอันนี้เป็นเป็นข้อที่สองในการดำรงชีวิตของพวกเรา พวกเราทุกคนในแต่ละวันนี้เรามีการกระทําต่างๆอยู่เรื่อยๆแล้วการกระทําของเรานี่แหละที่ทําให้เรามีสุขบ้างมีทุกข์บ้างตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงให้เราเห็นชัดเจนแล้วว่าการกระทําอย่างไรที่จะทําให้เกิดความทุกข์ใจเราก็อย่า ก, กระทํานั่นก็คือการกระทําบาปการกระทำอะไรที่ทําให้เกิดความสุขใจถ้าเราทําได้ถ้าเรา มีความสามารถมีก็ทำไปทาให้ใจเรามีความสุขมีข้าวของเงินทองเหลือกินเหลือใช้เห็นผู้อื่นเาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็ให้เขาไปช่วยเหลือเขาไปหรือเราอยากจะทำบุญกับสถาบันที่มีความมีคุณประโยชน์ต่อตอบพวกเรา เป็นพระศาสนาพระพุทธศาสนานี่เ็าเรียกว่าเป็นสถาบันที่มีคุณมีประโยชน์ต่อพวกเราชาวพุทธเพราะพระพุทธศาสนานี่แหละมีพระรัตนตรัยมีผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุธรรมแล้วนำเอาธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเรานี้ ได้มีการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้รับความสุขของพระนิพพานถ้าเราเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของพระพระศ า, าสนาที่มีต่อต่อชาวพุทธเา่าถ้าเราอยากจะให้พระพุทศ า, าสนาทำหน้าที่ไปอย่างได้อย่างเต็มที่และทำไปได้เรื่อยๆเราก็สามารถมาสนับสนุน พระศาสนาได้ด้วยการทาบุญกับพระศาสนามีเงินมีทองมีข้าวของอะไรเราก็มาบริจาคให้กับพระศาสนาเพื่อพระศาสนาจะได้มีทาหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้กับพวกเราและผู้อื่นต่อไปได้ให้ทาให้เราสังคมของเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้สอนให้สังคมเกิด การฆ่าพันกันไม่ได้สอนให้สังคมเกิดการเบียดเบียนกันทำร้ายกันรังแกกันแต่เป็นเป็นคำสอนที่สอนให้เรามีความเมตตาต่อกันให้เราดูแลกันให้เราช่วยเหลือกันให้เราแบ่งปันกันให้เราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราเห็นว่าพร ะ, พระศาสนามีคุณค่ามีประโยชน์ตั้งกับตัวเราและกับผู้คนที่เรา รู้จักหรือเกี่ยวข้องด้วยหรือก่รประเทศชาติของเราเราอยากให้ประเทศช า, ศชาติของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเราก็สนับสนุนพระศาสนาเพื่อาให้พระศาสนาจะได้มีความสามารถในการที่จะนำเอาคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้กับให้กับโลกได้ เพื่อจะทำให้โลกอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมีความเมตตากรุณาต่อกันไม่มีไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่ทาลายกันเราก็ทำบุญกับพระศาสนาเช่นทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่มาบวชในพระศาสนาถวายจะตุกปัจจัยไทยทานเช่นอาหารบิณฑบาตจีวรจีวรเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยกุฏิที่อยู่อาศัย และยารักษาโลกในยามที่เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วย mm hmm. เพราะพระภิกษุที่มาบวชนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นนักศึกษา mm hmm. นักเรียนที่จะมาเรียนคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากที่ได้รับเรียนแล้วก็จะได้นําเอาไปปฏิบัติ mm hmm. ปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมา mm hmm. เพื่อที่จะได้มาทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อไป เพื่อที่จะได้รักษาพระศาสนาให้อยู่กับโลกนี้ไปได้นานการอยู่ของพระศาสนานี้ไม่ได้อยู่เพราะเรามีถาว ร, รวัตถุเพียงอย่างเดียวใช่น<ม>เรามีโบสถ์มีเจดีย์มีวัดวาอารามที่สวยงา ม, มแต่ถ้าไม่มีพระอาหารหันต์ไม่มีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ศาสนาของเราก็จะไม่สามารถทําหน้าที่สั่งสอน ให้พวกเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขได้าการที่จะทำให้พวกเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมีไม่มีความทุกข์เราก็ย้ำเป็นที่ยังต้องมีพระธรรมคาสอนและมีพระอาหารหันตสาวกเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ า, านี้มาเผยแผ่ให้แก่ให้แก่พวกเราทั้งหลายเพราะว่าถ้าเราไปไปวัดแล้วไม่มีพระ มาสอนเราเราก็จะไม่ได้ความรู้ได้เพียงแต่การเห็นถาวรละวัตถุต่างๆเช่นเราไปกราบพระเจดีย์บ้างไปกราบพระพุทธรูปในพระอุโบสถบ้างถาวรลวัตถุเหล่านี้ไม่สามารถสอนธรรมะให้กับพวกเราได้ไม่สามารถสอนวิธีหลุดพ้นจากความทุกข์ให้กับพวกเราได้ไม่สามารถสอนให้พวกเราเข้าถึงบรมมรรคของพระนิพพานได้ เราจําเป็นจะต้องมีพร ะ, ะพระภิกษุที่มาศึกษามาปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาบูโขของพระพุทธเจ้าเราถึงจะมีผู้ที่จะมาเผยแพ่ธรรมะคําสั่งคําสอนให้กับพวกเราหรือก็ให้กับพวกบุตรลูกหลานของเราต่อไปได้เราจึงจําเป็นที่จะต้องมีการทํานุบํารุงพระภิกษุสามเณรที่มาบวชในพระพุทธศาสนา ให้อยู่อย่างเพาะให้อยู่อย่างพ อ, อ, งพอเพียงไม่ต้องอยู่แบบแบบหรูหราไม่ต้องอยู่แบบฟุ่มเฟือยอยู่อยู่แบบพอเพียงคือมีอาหารให้รับประทานวันละมื้อก็พอมีที่อยู่อาศัยพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอมีผ้าจีวรไว้นุ่งห่มสักชุดสองชุดก็พอแล้วก็มียารักษาโรคเวลาที่เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย เพื่อจะได้รักษาสุขภาพร่างกายของพระภิกษุให้แข็งแรงเพื่อที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติและได้บรรลุธรรมตามลดับต่อไปนี่ถ้าเรามีความเห็นความสำคัญของพระศาสนาเราก็สามารถทำบุญกับพระศาสนาได้นะแล้วถ้าเราอยากจะทำบุญในรูปแบบอื่นก็ยังทาได้อยู่เช่นการมีความกตัญญูต่อบุปก า, ารีของเรา ต่อบิดามารดาของเราเป็นต้นอันนี้ก็เป็นการทําความดีเป็นการทําบุญทํากุศลเหมือนกันเห็นพ่อแม่แก่เฒ่าวาัยชราไม่สามารถทําอะไรได้ตามลําพังต้องการความช่วยเหลือเราก็เข้ามาช่วยเหลือดูแลท่านเลี้ยงดูท่านให้เหมือนกับตอนที่ท่านเลี้ยงดูเราตอนที่เราเป็นเด็กๆความกตันยูนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นคุณธรรมที่จะทําให้เราเป็นคนดีได้ ถ้าเราไม่มีคุณถ้าเราไม่มีความกระตันอยู่การที่จะเป็นคนดีนี้จะเป็นสิ่งที่ยากเพราะเราจะเป็นคนเห็นแก่ตัวเสียมากกว่าคนที่ไม่มีความกระตันอยู่นี้เกิดจากการมีความเห็นแก่ตัวคิดแต่เรื่องของตัวเองจนลืม เ, เรื่องของคนอื่นไปลืม เ, เรื่องของคนที่มีพระคุณกับเราถ้าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวนี้เราก็จะมักจะทำอะไรเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองและเราอาจจะไปทาร้ายทา ท, ทบาบาป แก่ผู้อื่นก็ได้เพื่อเราจะได้รับประโยชน์ของเราแต่คนที่มีความกตัญญูนี้จะไม่คิดแบบนั้นจะคิดถึงความจะคิดถึงผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่มีมีพระคุณกับเราผู้ที่มีพระคุณนี้เราจะต้องคิดถึงเขาคิดถึงพระคุณของเขาและคิดถึงการที่เราจะตอบแทนพระคุณของของเขาได้อย่างไรบ้างถ้าเรามีโอกาสที่เราจะตอบแทนบุญคุณได้เราก็ควรจะกระทำกัน กอตอบแทนบุญขึ้นของพ่อแม่อย่งที่มีคํากล่าวไว้ว่าก่อนที่จะไปทําบุญกับพระอารหันนอกบ้านให้เราทําบุญกับพระอารหันในบ้านก่อ น, <ก>นพระอารหันในบ้านของเราก็คือบิดามารดาของเรานี่พ่อแม่ของเราเป็นพระอรหันของลูกๆการที่ได้ทําบุญกับพระอารหันในบ้านนี่เป็นบุญอย่างยิ่งดั <G ül üyor> งนั้นก่อนที่เราจะไปทําบุญกับพระอารหัน์นอกบ้าน ต้องดูแลพระอรหันในบ้านของเราให้ดีก่อนแล้วเราค่อยไปดูแลพระอรหันนอกบ้านไปทำบุญกับพระอรหันตามวัดต่างๆการไปทำบุญกับพระอรหันนี้นอกจากการไปทำนุบำรุงให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายแล้วสิ่งที่เราต้องการจากการทำบุญกับพระอรหันก็คือเราต้องไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมจากท่านหรือถ้ามีโอกาสก็ไปสนทนาธรรมกับท่าน เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้เราได้เข้าถึงความสุขของพระนิพพานว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างถ้าเราได้มีโอกาสได้ศึกษากับพระอาหารหันตสาวกนี่มันเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งนั่นเองที่เขาบอกว่าการทําบุญกับพระอาหารหันนี้ได้บุญมากกว่าบุญกับคนอื่นนี่ความหมายก็คือเราจะได้เรียนรู้จากท่านเราจะได้เรียน ธรรมะจากท่านเพราะถ้าเราทําบุญกับคนอื่นเช่นเราทําบุญกับผ้าอ่างหังในบ้านเราทําบุญกับพ่อกับแม่เรานี้เราจะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะจากพ่อจากแม่เราเราจะได้บุญจากการที่เราเสียสละแบ่งปันเข้าของเงินทองมาให้กับการดูแลพ่อแม่ของเราเท่านั้นได้บุญจากการเสียสละแต่เราจะไม่ได้บุญจากการได้ยินได้ฟังธรรมจากพ่อแม่ เพราะพ่อแม่ก็ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่ยังไม่มีทรระดับของพระอาหารหันมาสั่งสอนพวกเราแต่ถ้าเราไปทาบุญกับพระอาหารหันนอกบ้านนอกจากการที่เราจะเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองเป็นบุญที่เราได้จากการทาทานแล้วเรายังได้จะได้บุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมได้สนทนาธรรมกับท่านเพราะถ้าได้ยินได้ฟังธรรมที่แท้จริงที่ถูกตั้งนี้ มันอาจจะทําให้เราบรรลุธรรมขึ้นมาเลยก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเลยก็ได้อันนี้คือความหมายของการเราไปทําบุญกับพระอาหารหันต์ตามวัดต่างๆไม่ได้ทําเพื่อให้อย่างเดียวทําเพื่อรับด้วยถ้าเราไปทําบุญใส่บาตแล้วเรากลับบ้านโดยที่ไม่ได้มีเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมหรือไม่มีโอกาสได้สนทนาธรรมหรือได้ศึกษาทำคําสอนของท่าน การทําบุญก็จะได้เพียงครึ่งเดียวได้กาได้จากการเสียสละข้าวของเงินทองซึ่งบุญส่วนนี้เราทํากับใครก็ได้เหมือนกันเราจะทํากับพระที่ไม่ใช่เป็นพระอาหารเราก็จะได้บุญเท่ากันถ้าเราถวายของเหมือนกันใส่บาทเหมือนกันใส่บาทให้กับพระอาหารใส่บาทกับพระที่ไม่ได้เป็นพระอาหารก็จะได้บุญเหมือนกันคือบุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทอง แต่ถ้าเราได้มีโอกาสได้สนทนาได้ฟังธรรมอันนี้เราจะได้บุญอีกอย่างหนึ่งบุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมอันนี้ถ้าได้ยินได้ฟังธรรมจากพระอรหันต์เราก็จะได้ฟังธรรมในระดับขั้นสูงสุดถ้าเราฟังธรรมจากพระที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เราก็อาจจะฟังธรรมขั้นต่ําคือท่านอาจจะรู้ธรรมขั้นระดับศีลแธรรมท่านก็จะสอนเรื่องศีลธรรมเช่นสอนให้เราไม่กระทําบาปต่างๆ แต่ถ้าเราทําบุญกับพระอาลา น, นี้ท่านจะสอนทำในขั้นสูงสุดได้คือการชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดต้นเหตุของความทุกข์ใจทั้งหลายทั้งปวงคือกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจอันนี้จะเรียนรู้ได้ต้องเรียนรู้จากพระอลาลันตสาวก น, นี่คือความหมายของการที่เราทําไมเวลาทําบุญเราต้องเลือกคนทำ ถ้าเราต้องการเลือกคนทำนี네้หมายถึงว่าเราต้องการจะรับของจากคนที่เราไปทำบุญด้วยสิ่งที่เราต้องการจะรับก็คือธรรมะนี่ธรรมะนี่เป็นสิ่งที่เป็นทานที่เหนือทานทั้งปวงการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงการรับธรรมะก็เป็นการรับที่ชนะการรับทั้งปวงรับข้าวของเงินทองนี้สู้รับธรรมะไม่ได้ เท่าของเงินทองนี้ก็มีไว้ใช้สําหรับเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถมาเลี้ยงดูจิตใจไม่สามารถมากําจัดความทุกข์ใจต่างๆให้หายไปได้มีแต่ธรรมะท่นั้นที่จะสามารถที่จะที่จะชำระจิตใจกําจัดความทุกข์ต่างๆของจิตใจให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นการทําบุญทําทานนี้เวลาเราทํานี้จะได้บุญสองสองอย่างด้วยกัน บุญอย่างแรกก็คือบุญที่เกิดจากการเสียสละเข้าของเงินทองของเราอันนี้เราจะทำกับใครก็ได้เหมือนกันได้บุญเหมือนกันได้ความสุขใจเอ็นใจทำบุญกับผ้าอาลานก็ได้ทำบุญกับพ่อแม่ก็ได้อันนี้ได้บุญเท่ากันแต่ถ้าเราต้องการบุญอีกอย่างหนึ่งคือบุญคือธรรมะจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยอันนี้เราก็ต้องหาทำกับคนที่มีธรรมะ คนที่มีธรรมะมากที่สุดที่สูงสุดก็คือพาอาระอรหันตสาวกรองจากพระพุทธเจ้าลงมาตอนนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องไปทําบุญกับพาาระอรหันตสาวกแทนไปทําแล้วเราก็รอเวลาฟังเทศฟังธรรมมีโอกาสก็สนทนาพูดคุยเรื่องธรรมะกันแล้วจะทําให้เราเกิดความเข้าอกเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นได้มากขึ้น แล้วมันจะทำํำพาให้เราไปสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่าสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานตามลําดับต่อไปได้มีก็คือเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมแล้วข้อที่สามถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรให้เข้าถึงพานิพพานเข้าเขูาความสุขที่เป็นบรมสุขที่ถาวรนี้ เราต้องทําข้อที่สามคือให้เราชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ใจของเราตอนนี้ยังไม่สะอาดเหมือนเสื้อผ้าที่เราเวลาที่เราสวมใส่เสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้าก็จะเปื้อนด้วยขี้ฝุ่นด้วยด้วยอะไรต่างๆเราถึงต้องเอาเสื้อผ้านี้ไปซักเวลาซักแล้วสิ่งที่สกปรกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้ามันก็จะหลุดออกไป ใจเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่ยังมีสิ่งสปกปรกสิ่งที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราเครียดทำให้ใจเราไม่มีความสุขูสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่ากิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลนความอยากต่างๆที่ยังมีติดอยู่ในใจของพวกเราอยู่ถ้าเราต้องการให้ใจเหล่านั้นปราศจากความทุกข์ปราศจากความเครียดต่างๆ ให้ใจเรามีความสุขของพระนิพพานเราก็ต้องมาชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจให้ได้การชำระจิตใจนี้ก็ต้องชำระด้วยการบาเพ็ญจิตตภาวนาคำว่าจิตตภาวนาก็คือการซักพอกใจนี้เองการภาวนาคือการซักพอกใจทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็แบ่งเป็นสองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าเป็นการซักพอกใจแบบ แบบชั่วคราวคือทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์แบบชั่วคราวไปก่อนแล้วขั้นที่สองก็มาซักพอกใจให้บริสุทธิ์อย่างถาวรขั้นแรกเราเรียกว่าสามถภาวนาคือการทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาให้นิ่งสงบเป็นสมาธิให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิคือให้จิตนิ่งสงบสักธรวารู้เวลาจิตสงบจิตนิ่งแล้ว ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เคยสร้างความวุ่นวายใจสร้างความหงุดหงิดลาคาญใจสร้างความเครียดสร้างความเศร้าหมองต่างๆให้แก่ใจก็จะหายไปหมดชั่วคราวตอนที่จิตสงบกิเลสตัณหาโมหะอวิชาก็จะไม่สามารถทำงานไม่สามารถมาสร้างความทุกข์สร้างความเครียดต่างๆให้กับใจได้พอกิเลสตัณหาหยุด หยุดเก็บหยุดทำหน้าที่นี้ใจของเราก็สงบเย็นสบายเกิดความสุขเหมือนกับเป็นความสุขของพระนิพพานขึ้นมาแต่เป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวสุขในขณะที่จิตสงบอยู่ในสมาธิเท่านั้นแต่พอออกจากสมาธิมาแล้วความสงบก็จะค่อยๆจางหายไปแล้วกิเลสตัณหาตัวที่เคยสร้างความทุกข์สร้างความคิดต่างๆก็จะกลับมา สร้างความทุกข์สร้างความเครียดสร้างความวุ่นวายใจให้กับใจต่อไปนี่คือขั้นแรกของการชำระใจที่เราต้องทําขั้นแรกก่อนข้อหนึ่งมันเป็นขั้นที่ง่ายกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองวิปัสสนานี้เป็นขั้นที่ยากกว่าและขั้นที่สองนี้ต้องอาศัยขั้นที่หนึ่งเป็นผู้สนับสนุนด้วยเราจึงต้องทําขั้นที่หนึ่งก่อนขั้นที่หนึ่งทำใจให้สงบนิ่งด้วยการเจริญสติ ถ้าเรารู้จักการเจริญสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้ใจเราคิดด้วยเปลืยได้หยุดความคิดของใจได้เราก็จะทำใจให้สงบได้เป็นสมะถะภาวนาอย่างขั้นที่หนึ่งนี่ง่ายกว่าขั้นที่สองเพราะขั้นที่สองนี้ต้องใช้ความคิดใช้ปัญญาแยกแยะเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรเรื่องอริยาศาศาสัจสีเรื่องตายรักเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ปัญญาแยกแยะวิเคราะห์ให้เห็นแจ้งว่าอนิจจังเป็นอย่างไงทุกขังเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นสิ่งที่ยากกว่าถ้าจะทําไม่ได้ถ้าใจยังไม่สงบถ้าใจไม่สงบนี้ใจจะไม่อยากใจจะไม่ไม่คิดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจะไม่คิดถึงเรื่อง อ, อริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธ น, นะ เพราะใจจะถูกอำนาจของกิเลสให้ดึงไปคิดถึงการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คิดว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีคิดว่าจะไปดูหนังฟังเพลงที่ไหนดีคิดว่าจะไปไปดื่มไปอะไรที่ไหนดีจะคิดแต่เรื่องราวนี้อยู่เรื่อยๆถ้าใจไม่สงบในเบื้องต้นเราต้องทาใจให้สงบเพื่อระงับความคิดต่างๆเหล่านี้แล้วเพื่อเราจะได้ดึงใจให้มาคิดในทางปัญญาต่อไปได้ ให้มาคิดทางอริยาาสัจสีให้มาคิดทางไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาให้เรามาคิดถึงห่ัสูตะให้คิดถึงปฏิกูลของอาหารเป็นต้นให้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายซึ่งความคิดเหล่านี้เรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใจจะจะไม่สามารถคิดได้ถ้าใจไม่สงบเพราะเวลาใจไม่สงบนี้ใจจะอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสกัณหากิเลสก็จะดึงให้เราไปคิดในเรื่องของโลกกระทำ ให้เราไปหาราบยศรเสริญให้เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นยลดผลธพัชชนิดต่างๆจึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำใจให้สงบให้ได้ก่อนควบคุมความคิดหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางกิเลสตัณหาให้ได้ก่อนพอเราสามารถทำให้ใจสงบควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางโลกธรรมได้ไม่ให้คิดไปทางกิเลสตัณหาได้เราก็จะสามารถดึงใจให้มาคิดในทาง ปัญญาได้ให้เรามองความจริงของโลกของสิ่งที่เราอยู่ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกก็ตามหรือสิ่งคือร่างกายของเราก็ดีหรือสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราก็ดีเราต้องมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาเช่นทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่นี่ มันมีเจริญได้มันก็มีเสื่อมได้ได้ได้ยศมาก็อาจจะเสื่มยศได้ได้สรรเสริญมาก็จะได้นินทากลับมาแทนก็ได้ได้สุขจากรูปเสียงกลิก่นรสมาก็อาจจะกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือมันเกิดแล้วมันดับมันบางเทีก็ไม่ดับแต่มันเปลี่ยนจากดีกลายเป็นไม่ดีได้จากคนที่เคยชมเรายกย่องสรรเสริญเรา กลายเป็นคนที่มาตำหนิเตียนเรานินทาเราก็ได้เพราะของเหล่านี้มันเปลี่ยนได้มันมีเหตุมีปัจจัยทำให้เปลี่ยนได้มีเงินมีทองได้เงินได้ทองมาก็อาจจะเสียเงินเสียทองไปก็ได้ได้ยศได้ตาแหน่งมาก็อาจจะต้องสูญเสียยศเสียตาแหน่งไปก็ได้เพราะมันเป็นทองไม่แน่นอนนี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบคิดกันถ้าเราจิตไม่สงบนี้จิตจะไม่ จะดึงให้จิตมาคิดเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เพราะถ้าคิดแล้วมันจะทําให้ใจไม่สบายใจพวกเราทุกคนไม่อยากจะสูญเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบไปเราถึงไม่อยากจะคิดถึงมันเราถึงไม่อยากจะคิดถึงการสูญเสียของสิ่งที่เรารักไปเพราะเรากลัวว่าถ้าเราคิดแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นจริงอย่างที่เราคิดก็ได้ก็เหมือนกับสาบแช่งตัวเองก็เลยไม่กล้าคิดกันนแต่เรื่องของ ร, ร่างกายเราเราก็ไม่กล้าคิดกัน ว่าร่างกายของเรานี้มันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องแก่เดี๋ยวมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวมันจะต้องตายอย่างแน่นอนไม่มีใครมายับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้แต่เราก็จะไม่กล้าคิดกันเมื่อเราไม่คิดกันเราก็จะไม่เกิดปัญญาขึ้นมาเราก็จะไม่มีปัญญาที่จะเห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เรามาครอบครองมาเป็นเจ้าของอยู่ชั่วคราว ว่าเราไม่เราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องจากเราไปแล้วเวลาที่มันจากเราไปมันก็จะทําให้เราเศร้าใจเสียใจทุกข์ใจแต่ถ้าเราสามารถทําใจให้สงบได้แล้วเวลาออกจากสมาธิมาใจยังไม่ยังไม่ยังไม่ฟุ้งซ่างใจยังสงบอยู่เราก็เอาความสงบของใจนี้ ดึงให้มาคิดใจเรื่องทางปัญญาคิดถึงเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วย <S <S ว่าสิ่งที่เรารักเราชอบนี้วันใดวันหนึ่งอาจจะต้องมีการพัดภาคจากเราไปก็ได้ <S <S ถ้าเรารู้ไว้หนุ่งหน้าว่าอาจจะเกิดขึ้นเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ถ้าเราทําเก็บอะไรสำรองไว้ได้ก็เก็บสำรอง เช่นเงินทองถ้าเราคิดว่ามันอาจจะหมดได้เราก็แบ่งที่เก็บไว้ที่ปลอดภัยหลายๆที่ก็ได้สัมลองไว้อาจจะหมดไปตรงจุดนี้แต่จุดอื่จุดอื่นยังอาจจะอยู่ต่อไปก็ได้ถ้าเรารู้ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะได้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ได้หรือถึงแม้ว่าถ้าเราจะต้องสูญเสียไปทั้งหมดเลยเราก็ยังสามารถที่จะทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับการสูญเสียได้เพราะเราจะรู้ว่า ความทุกข์ใจของเรานี้มันไม่ได้เกิดจากการสูญเสียมันเกิดจากความอยากไม่สูญเสียเท่านั้นเองทุกคนอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบอยากจะเก็บไว้ให้อยู่กับเราไปตลอดแต่ถ้าเรามีปัญญามองเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราชอบไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องจากเราไปอย่างแน่นอนและเราก็ห้ามมันไม่ได้เราจะสามารถอยู่กับมันได้เวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้น เวลาที่เกิดซวยการสูญเสียเราจะไม่ทุกข์กับมันได้เพราะเรารู้ว่าเหตุของความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากไม่ให้สูญเสียท่านเองเราก็มาเปลี่ยนใจยอมรับความจริงว่าเราจะต้องสูญเสียอย่าไปเกิดความอยากไม่ให้สูญเสียมันจะเสียก็ปล่อยมันเสียไปเอาห้ามมันไม่ได้มันเป็นความจริงพอเราเห็นความจริงแล้วยอมรับความจริงได้ไม่ต่อต้าน <S <S ไม่เกิดความอยากไม่สูญเสีย เวลาสูญเสียใจของเราก็จะไม่ทุกได้ใจของเราก็จะอยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียต่างๆได้อันนี้คือขั้นของปัญญาที่จะมาดับความทุกข์ใจของเราได้อย่างถาวรแต่ก่อนที่เราจะมาถึงขั้นปัญญาได้เราต้องเข้ามาสู่ขั้นสมาธิก่อนขั้นสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบที่เรียกว่าสมถภาวนาก่อนทาใจให้สงบพอเราทาใจให้สงบได้แล้ว ต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็เอาดึงใจที่สงบนี้มาคิดในเรื่องทางปัญญา ค, ออคิดในเรื่องอนิจจังไม่เที่ยงคิดในเรื่องอนัตตาเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้คิดถึงอรยิยสัจว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากปล่อยให้มันเกิดขึ้นอย่าไปอยากไม่แก่มันต้องแก่เวลาแก่ถ้าเราไม่ไม่มีความอยากไม่แก่เราจะไม่ทุกข์กับความแก่ เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่มีความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายถ้าเราไม่มีความอยากไม่ตายเราจะไม่ทุกข์เราจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ใช่เราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสูญเสียไม่ใช่เราเราไม่ได้สูนตัวเราตัวเรายังอยู่เหมือนเดิมใจของเรานี้อยู่ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพียงแต่ว่าจะอยู่แบบไหนท่านั้นเองอยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์ ถ้าเรามีการปฏิบัติมีปัฏนามีการปฏิบัติสมถะภาวนามีปั ส, สนาภาวนาใจของเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดอันนี้แหละคือความสุขของพระนิพพานจะสูญเสียอะไรไปก็จะไม่รู้สึกทุกข์แต่อย่างใดพระพุทธเจ้าพระหลานตถาคตงนี้ท่านไม่ทุกข์กับอะไรท่านจะเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปท่านก็ไม่ทุกข์ท่านจะเสียร่างกายไปท่านก็ไม่ทุกข์ท่านไม่มีอะไรจะต้องทุกข์ด้วยเพราะท่านไม่มีความอยาก ความอยากของท่านท่านได้กำจัดด้วยปัญญาเพราะเห็นโทษของความอยากว่าเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ใช่การสูญเสียต่างๆที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นตัวที่มาทำให้ใจทุก์ไม่ใช่ความสูญเสียแต่การอยากไม่สูญเสียทั้งนั้นเองแต่พอเห็นด้วยปัญญาว่าต้องสูญเสียไม่มีทางเลือกห้ามไม่ได้ก็หยุดความอยากที่จะไม่อยากสูญเสียไปทั้งนั้น พอไม่มีความอยากไม่สูญเสียใจก็ไม่ทุกเวลาเกิดความสูญเสียใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ใจก็อยู่ในความสงบสุขของพระนิพพานนี่แหละคือสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาในใจของเราถ้าเราน้อมเอาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจของเราด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการบรรลุธรรมขั้นต่างๆแล้วใจของเราก็จะได้อยู่อย่างสุขไปตลอด ปาจากความทุกข์ไม่มีความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในใจของเราเอีกต่อไปนี่คือเรื่องของพระรัตนาไตที่เป็นสิ่งมาสัจจรใจเที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวารวหาปุราปริปุเรนติสาคะ เอวเมวะอโตทินนางเตตานางอุปกปติอิชิตังปัติตังตุมหังทิพเมวะสมิชตะตุสัพเพปุเรงตุสังกปาจันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพรโควินัตุ มาเตปวัตวันตารายุสุขีทีขายุโยภะอภิวาทานศีลิสะนิจังวุธาประจายโนจตารุธรรมวาทานเตอายุวันโสุขังภาลาัางช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถา ม, ถาม ใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยก็ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่ขอความกรุณาอย่าถามตอนที่เราเลิกแล้วเพราะจะไม่สะดวกอันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้ติดตามทางเฟ e b o o k พระอาจารย์สุชาติาพิชาโตสา6ร้อยแปดสิบหกคน YouTube, พระสุชาติไลฟ์สามร้อยห้า d o ท t บด็อกเตอรวีชห้าสิบวิทีออนไลน์สิบสี่ h o u s เ3์สามผู้รับฟังธรรมะหน้ากุฏิสองร้อยสามสิบห้าคนรวมทั้งหมดเก้าร้อยเก้าสิบสามครับมีคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งคำถามครับ ตอนนี้ลูกได้เริ่มปฏิบัติธรรมมาประมาณหนึ่งปีสังเกตตัวเองว่าเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นขณะที่จิตกําลังมีความโลภโกรธความหลงความโลภและความโกรธน้อยลงแต่ยังมีความหลงอยู่มากครับโดยเฉพาะหลงติดในความดีหลงในคุณความดีที่ทาควรแก้ไขอย่างไรดีครับหรือว่ายังปฏิบัติไม่พอครับคือ การหลงในการทำความดีนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายถ้าเรารู้จักขอบเขตอันไหนเราทำได้เราก็ทำไปอันไหนทำไม่ได้เราก็ต้องยับยั้งไว้ <ใช S 1> คืออันไหนถ้าเราอยู่ในวิสัยที่เราทำได้ก็ทำอย่าให้ความอยากทำความดีมาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราก็แล้วกันถ้าเราอยากทำแต่เราไม่ไม่มีกำลังที่จะทำเราก็ต้องยับยั้งความอยากนี้เอาไว้ ท่านนั่นเองแต่การยึดติกับการทำความดีนี้ไม่ได้เป็นโทษเป็นภัยอะไรถ้าเรารู้จักประมาณรู้จักขอบเขตความสามารถของเราว่าเราทำได้มากได้น้อยเราก็ทำไปตามกาลังของเราก็แล้วกันคำถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์มีผู้ฝากถามสามคำถามครับคำถามแรกตัวที่นำพาชีวิตไปในทางที่ดีมีความสุข หรือทางที่ทุกข์คือชะตาชีวิตหรือบุญบาปที่เราทำไว้ในอดีตเป็นตัวกำหนดการหรือไม่ครับคืออดีตมันกาหนดพามาเราสู่จุดปัจจุบันนี้แต่จุดอนาคตนี้มันเกิดจากการกระทาของเราถ้าเราทำตามที่พุเจ้าสอนทำสามข้อคือละ บ, บาปทำบุญแล้วก็ชำระใจให้สะอาดแล้วมันก็จะพาเราไปสู่จุดที่ดี จุดที่สูงสุดของชีวิตก็คือพระนิพพานต่อไปคำถามที่สองคนที่มีโอกาสได้บวชได้ปฏิบัติแล้วแต่ยังหลงผิดทำตามความคิดความต้องการของตัวเองทั้งที่ผิดเพี้ยนจากคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์อย่างนี้ยังถือว่าเขามีบุญได้ไหมครับแล้วการที่ยังหลงผิดอยู่จะมีวิธีแก้ไขให้เห็นถูกทำถูกได้อย่างไรครับ คือการที่เขาได้บวชก็ถือว่าบุญส่งเข้ามาให้บวชแต่จากจากการได้บวชแล้วจะไปทําอะไรต่อ น, นี้ก็อยู่ที่การกระทําของความคิดของเขาถ้าเขาหลงก็แสดงว่าเขาปราศจากผู้สอนที่ดีก็ควรที่จะไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านก็จะสอนให้เราทําดีเราก็จะไปในทางที่ดีได้ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนเราให้กิเลส ท, ที่มีอยู่ในใจสั่งสอนเรามันก็จะดึงเราไปในทางที่ไม่ดีได้คำถามที่สามครูบาอาจารย์หรือท่านที่มีภูมิธรรมระดับสูงท่านสามารถประเมินหรือคาดการอนาคต ได้ไหมครับว่าคนนี้ทําแบบนี้คิดแบบนี้พูดแบบนี้จะไปในทางที่ดีหรือไม่ดีครับพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะรู้ถึงอนาคตของคนที่ทําอะไรต่างๆว่าเขาทําบุญแล้วเขาจะไปไหนต่อเขาทําบาปแล้วเขาจะไปไหนต่อคนต้องมีคุณธรรมสูงๆถึงจะสามารถรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้คําถามจากทาง youtube คุณศรัทธา การที่คารวะแสดงธรรมลงในโลกออนไลน์จะผิดไหมครับเพราะมีพระสงฆ์บางรูปท่านได้บอกว่าไม่สมควรถ้าอยากสอนหรือแสดงธรรมให้มาออกบวชจะดีเสียกว่าอย่างนี้ถูกต้องไหมครับคือการแสดงธรรมไม่ว่าจะเป็นใครสามารถแสดงได้ข้อสําคัญขอให้เป็นธรรมที่ถูกต้องเท่านั้นเองถ้าไปแสดงธรรมที่ผิดเนี่ยมันก็จะทําให้คนอื่นก็าหลงผิดตามได้ ส่วนการจะบวชหรือไม่บวชนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นถ้ามาบวชแล้วแสดงธรรมมันอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าการที่ไม่ได้บวชแล้วมาแสดงธรรมเพราะว่าการบวชนี้ก็แสดงว่าอย่างน้อยตนเองก็ได้ทาตามคำสอนแล้วแล้วคำสอนที่เอามาสอนก็จะมีน้ำหนักมากกว่าแต่ถ้ายังไม่ได้บวชนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ทาตามคาสอนอย่างอย่างเต็มที่ก็ได้ ทำไมไม่บวชการบวชนี่แหละเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดเพราะพุทธเจ้าก็บวชพระสาวกทั้งหลายท่านก็บวชกันและคำสอนของท่านก็จะมีน้ำหนักมากกว่าเพราะว่าท่านทำด้วยท่านสอนท่านทำในสิ่งที่ท่านสอนแต่คนที่ไม่ได้เป็นนักบวชนี่อาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาสอนก็ได้มันก็อาจจะเกิดความเครีบแขง็งดังเลสงสัยในตัวของคุณสอนได้ แต่จะเป็นค า, ารวาสหรือเป็นพระนี้ไม่สำคัญสำคัญว่าธรรมที่สอนนี้ถูกต้องแม่นยำตามหลักความเป็นจริงหรือไม่สามารถทำให้ผู้เรียนรู้ได้บรรลุธรรมได้หรือไม่อันนี้เป็นประเด็นสำคัญกว่าคำถามต่อไปจากคุณนักกฤตผมฟังธรรมแทบตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นอาบน้ำทำงานบ้าน หรือผมควรจะฟังทมแต่พอประมาณและเอาเวลามาเจริญสติปัะฐานจะดีกว่าไหมครับจเจริญสติจะดีกว่าทำก็ควรจะทาในเวลาที่เราว่างแล้วไม่ควรจะทำอะไรควบคู่กับการฟังทำถ้าจะฟังทมควรจะอยู่ในกิริยาที่สงบนั่งกายนั่งเฉยๆใจไม่คิดเรื่องอะไรแล้วก็ไม่คุยไม่คุยกับใครจะได้ประโยชน์มากกว่าการที่เราฟังทำไปแล้วทาอะไรไปด้วย ระหว่างที่เราทำอะไรไปด้วยนี้แทนที่จะฟังทแเราก็จเจริญสติจะดีกว่าให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำเพียงอย่างเดียวไม่ให้ใจเราลอยไปกับความคิดต่างๆอย่างนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าคำถามจากคุณพีพีคำว่าโพทัพพระหมายถึงอะไรครับโพดทัพพะก็คือสิ่งที่มาสัมผัสกั บ, กบร่างกายของเราเช่นเวลามี ใครก็เอาของมาทุบตีเราอย่างนี้เรียกว่าเป็นผดทภัพะหรือว่าเวลาอากาศร้อนอากาศเย็นมาสัมผัสกับร่างกายเราเรียกว่าเป็นผดทภัพะสิ่งที่มาสัมผัสตามร่างกายคำถามที่สองถ้าถือศีลแปดสามารถรับประทานดาร์กช็อกโกแลตได้ไหมครับได้ศีลแปดก็ไม่ให้รับประทานอาหารหลังเที่ยงวัน แต่ของที่เป็นถือว่าเป็นยาเป็นเภสัชเช่นช็อกโกแลตนี่ก็ถือว่าเป็นยาแต่ต้องต้องเป็นช็อกโกแลตแบบที่ไม่มีส่วนอื่นผสมเช่นนมเนื้อถัว่วเรื่องของอะไรต่างๆถ้าเป็นมีแต่น้ําตาลกับช็อกโกโก้ผสมกันนี้ก็ถือว่าเป็นยาที่ฉันได้รับประทานได้ตลอดเวลาคําถามต่อไปจากคุณอนาวินอาชีพหมอดูปิดกั้นนิพพานไหมครับเป็นบาปไหมครับ มันไม่ได้ปิดกัน้น ม, มันไม่ได้มันไม่ได้ปฏิบัติั้นเองถ้าหมอดูก็ก็ไปอีกทางหนึ่งไม่ได้ไปทางสู่พระนิพพานถ้าอยากจะไปทางสู่พระนิพพานก็งดการดูหมอแล้วก็มาดูสติมาดูใจของตัวเองแทนมากำจัดกิเลสตัณหาคำถามต่อไปจากคุณสิริยาระหว่างฟังธรรมฟังบทสวด กับการที่เราสวดมนต์เองอันนี้สงบุญอย่างไหนมากกว่ากันครับมันอยู่ที่สตินะถ้าเราฟังด้วยสติมันก็ได้ความสงบได้ถ้าเราสวดด้วยสติเราก็ได้ความสงบได้ดงนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราฟังหรือเราสวดเองอยู่ที่ว่าเราฟังด้วยสติสวดด้วยสติหรือไม่ถ้าฟังด้วยสติสวดด้วยสติใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะสงบลงอย่างนี้ก็จะเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศล คำถามต่อไปจากคุณนิรุติทำดีกับเพื่อนร่วมงานแต่ได้รับการแสดงออกการพูดจาที่ไม่ดีออกมารู้สึกเสียใจครับควรจะวางใจอย่างไรครับคือเราเข้าใจผิดไงเราคิดว่าเราทำดีแล้วคนก็จะต้องชื่นชมยินดีกับการกระทำของเราอันนี้ไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการทำความดีทำความดีแล้วมนันจะมาเขาว่าคนอื่นก็จะต้องยกย่องสรรเสริญเรา ผลของการทําความดีคือความภูมิใจความสุขใจในตัวเราอันนี้แหละเป็นผลที่เราจะได้รับจากการทําความดีซึ่งดีกว่าการที่คนอื่นเขาจะมาสรรเสริญยินดีกับการทําความดีของเราดังนั้นเรามองไปที่ผิดที่เราไปมองที่ที่ไม่ใช่เป็นผลของการทําความดีมันก็เลยไม่เกิดมองที่ใจเราเวลาทํำดีแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขใจภูมิใจ แล้วเราจะรู้สึกเฉยๆต่อคอาําค l l a h a n i n t หรือคําสรรเสริญเนยนยอของผู้คําถามต่อไปจากคุณเอกชัยการภาวนาคืออะไรครับแล้วเราจะมีวิธีการภาวนาอย่างไรครับการภาวนาก็คือการชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการเจริญสติทําใจให้สงบเรียกว่าสามถะภาวนาแล้วก็เจริญใจให้ฉลาดสอนใจให้ฉลาด ให้เกิดปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคำถามต่อไปจากคุณวีรพงศ์เลี้ยงวัวแล้วขายให้คนอื่นไปเลี้ยงต่อจะเป็นบาปไหมครับถ้าไม่เอาไปฆ่าก็ความจริงมันไม่บาปหรอกเราขายเพียงแต่ ว, ว่าเราจะส่งเสริมให้คนอื่นเขาไปทำํำทารุณกรรมกับสัตว์หรือเปล่ามัเป็นอาชีพที่เราไม่ควรทําเราต้องย้อนคิดว่าถ้าเราเป็นวัวบ้างจะเป็นยังไง เราอยากจะให้ใครเข้ามาเลี้ยงเราแล้วส่งเราไปไปทํางานหรือไปธรรมานเรานู่นงั้นอย่าอย่าทำอาชีพที่เกี่ยวกับชีวิตของผู้อื่นจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการเป็นเหมือนกับเป็นเอาเข้ามาเป็นทาสของเราเราหวังเอาเอาความสุขบนกองทุกข์ของเขาถ้าจะเลี้ยงมันเพื่อให้ได้บุญก็เลี้ยงมันแบบอิสระปล่อยมันอยู่ไปมันจะอยู่จะไปก็เรื่องของมันไปมันอยู่เราก็ให้ข้าวให้อะไรมันไป ถ้ามันอยากจะไปที่ไหนก็ปล่อยมันไปถ้าเลี้ยงแบบนี้ถึงจะได้บุญแต่ถ้าเลี้ยงเพื่อจะเอาผลประโยชน์จากเขาด้วยการสร้างความทุกข์ให้กับเขานี้อันนี้ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมเชิญถามได้นะในช่วงนี้เพราะเดี๋ยวเราเลิกแล้วก็จะไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้เพราะไม่สะดวกเดี๋ยวจะต้องมีการเก็บข้าวเก็บของอะไรต่างๆอีก